สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสเสมหรรายการธรรมรับอารุณ์ มาดับบรุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังการบรรยายธรรมโดยพระไพบรู์อภิคุณโนวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังค่ะ คือรายการธรรมะรับบรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่มีแม่ข่ายจากทางกรุงเทพมาหานครไปยังเครือข่ายของสวททั่วประเทศแล้วก็ในวันนี้วันศุกร์ก็อาตมาพระไพบูลจากวัดป่าดอนไหโศกจังหวัดอุดรธานีจะได้มาแสดงธรรมปาทักษาในเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับธรรมะที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ เราทราบข้อมูลที่ควรจะทราบเกี่ยวกับธรรมะที่เป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าสืเนื่องจากว่าในช่วงวันวิสาขบูชาที่จะมาถึงในเดือนพฤษภาคมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้ทำเรียกว่าเป็นตอนต่อนเนื่องของของรายการธรรมะในช่วงระหว่างวันที่สองถึงวันที่หกพฤษภาคม ซึ่งในช่วงนั้นก็จะได้มีการนำเรื่องราวเกี่ยวกับอรยิยสัจทั้งสนีะ่คือทุกสมุทัยนิโรธและมรรคมาอธิบายในรายละเอียดซึ่งในรายละเอียดที่เกี่ยวกับว่าเฮทำไมเรต้องมารู้เรื่องอริยสัจสี่รู้แล้วได้ประโยชน์อะไรแต่และอย่างมีอะไรบ้างการทำงานของเขาการเกี่ยวกเกี่ยวข้อ ง, ของการที่จะใช้ประโยชน์จากอริยสัจสที่พระุชเจา ต, ตรัสรู้ในชีวิตประจาวัน รวมถึงเรื่องการปฏิบัติด้วยและข้อมูลใดๆที่พระเจ้าได้มอบให้ไว้กับปัญจวัคคีในการแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปถึงช่วงเวลาที่เป็นตอนในเรื่องของยศัรีเนี่ยในระหว่างวันที่สองถึงห้าพฤษภาคมสองพันหรห้าสิบสี่เนี่ยมีเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจกันก่อนเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สาคัญคือครั้งหนึ่งเนี่ย เพราะสมเด็โคโดมคือสมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่ที่ตรัสรู้เนี่ยในครั้งนี้เนี่ยได้เคยเล่าให้ฟังว่ามีครั้งหนึ่งนะในตอนนั้นสมัยพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อวิปสัสสีนะมีชนชาวบ้านชาวพันธุมดีราชธานีนะจำนวนแปดหมื่นสี่ันคนออกจากเมืองเนี่ยแล้วก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าวิวปัสสีที่ประทับแล้วพอเข้าไปเฝ้าเนี่ย ท่านพระผู้มีพระภาชเจ้วิปัสสีเนี่ยได้แสดงอนุปปพิกถานัคือเรื่องราวที่เป็นไปตามลําดับได้แก่เรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของสวรรค์โทษอันเศร้าหมองต่ำาซมของกามและอนิสงฆ์ในการออกจากกามมีทั้งหมดห้าอย่างห้าเรื่องนั่นคือเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของสวรรค์โทษอันต่ําซามของกามและอนิสงฆ์ในการออกจากกามห้าอย่างนี้ ผลปรากฏว่าจากการแสดงธรรมในครั้งนั้นเรื่องอนุบุพิกถาเนี่ยทำให้ชาวพันธุบดีราชธานีเนี่ยมีจิตเหมาะสมอ่อนโยนตปราศจากนิวนรร่าเรองแจ่มใสจึงได้กล่าวธรรมเทศนาซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงเองนั่นคือเรื่องอริยสัจ ท, ทั้งสี่พระภูมิพระภาเจ้าสมณโคดมเนี่ยได้ปเปรียบเหมือนกับว่าเหมือนผ้าสะอาดนะที่ปราศจากสิ่งแปดเปื้อน ย่อมรับเอาน้ำย้อมได้อย่างดีฉันใดธรรมจักษุ ค, ค, คือดวงตาที่สามารถเห็นธรรมะได้เนี่ยปราสาทุลีปราสาทมุนทินได้เกิดขึ้นแกม่มหาชน 84% ดหมี่พันณที่นั่งนั่นเองว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกันนี่เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าก่อนที่เราจะฟังเรื่องอริยสัจทั้ง4ี่เนี่ย การปูพื้นฐานเรื่องของอนุบุพิกถ า, าคือเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของสวรรค์โทษอันเศร้าหมองต่ํำซ้ำของกามและอั น, นิสง์ในการออกจากกามห้าอย่างเนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่จะต้องทราบก่อนเพื่ออะไรเพื่อจิตของเราเนี่ยจะได้ร่าเริงแจ่มใสปราศจากนิวรณ์อ่อนโยนเหมาะสมเหมาะสมแล้วเป็นยังไงจึงจะฟังอริยสัจสีรู้เรื่องจึงจะฟังอริยสัจสีเข้าใจได้ เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาสัปดาห์ถัดไปคือในสัปดาห์ระหว่างวันที่สองถึงห้าพฤษภาคมในวันระหว่างวันที่สองถึงหกพฤษภาคมจะได้แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับอ ร, ริยสัตย์ทั้งสี่เพราะฉะนั้นในตอนนี้ใ น, ในระหว่างช่วงวันสุขที่มีการแสดงปากถ า, กถาเนี่ยจะได้นําเอาเรื่องของอนุบุคพิกถานั้นมากล่าวให้ฟังมีทั้งหมดห้าเรื่องนะทบทวนกันนิดหนึ่ง เรื่องแรกคือเรื่องของทานแต่เรื่องของทานที่อาตมาจะได้พูดถึงเนี่ยก็เป็นเรื่องอนิสงค์ของทานให้ทานไปทําไมให้ทานและได้ผลอะไรทําไมคนถึงให้ทานแล้วเรื่องของศีลก็เหมือนกันรักษาศีลไปทําไมใครได้ประโยชนจากการรักษาศีลมีแม่มุมอะไรต่างๆที่ต้องทราบบ้างสวรรค์เป็นยังไงทําบุญทําทานถือรักษาศีลแล้วเนี่ยไป้ไสวรรค์สวรสวรค์เป็นยังไงรู้ที่จิตเราจะทราบได้ยังไงประโยชน์ที่เราเห็นได้ในปัจจุบันแล้วเราก็โทษของตาม นะการคืออะไรแง่มุมต่างๆของการโทษของมันมีอะไรบ้างเราต้องรู้จักเขาอย่างไรนะแล้วก็อั น, นิสงส์ในการออกจากกามนะพอเห็นโทษแล้วสามารถออกจากหลีกออกจากกามได้อย่างไรอันนี้คือห้าอย่างที่ต้องการจะพูดก็จะใช้เวลาสองสัปดาห์จากนี้ไปคือในระหว่างวันที่ยนะี่สิบสองเมษายนแล้วก็วันที่ยี่สิบเก้าเมษาก็จะได้พูด ในเรื่องอนุบุพิกถาโดยในวันนี้จะกล่าวถึงเรื่องทานและเรื่องศีลต้องทําความเข้าใจนะทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งว่ า, เ, าเรื่องของทานเรื่องของสีเรื่องของสวรรค์เรื่องของอนิสงส์ในการออกจากกามแล้วก็โทษของกามเนี่ยห้าอย่างนี้เรารวมกันเรียกว่าอนุบุพิกถานเป็นเรื่องราวที่ต้องทําความเข้าใจเป็นลําดับลําดับพอเราทําความเข้าใจได้แล้วเนี่ยจิตของคนที่ฟังเนี่ยเปรียบเสมือนผ้าที่ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้ว อย่างจีวรของพระเนี่ยย้อมมาจากผ้าสีขาวนะตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วก็เอามาต่อต่อกันเวลาตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วเนี่ยภิกษุบางรูปเนี่ย เ, เรียกว่าสมท า, านผ้าบางสุกุลคือเอาผ้าที่เขาไม่ใช้แล้วผ้าที่เขาทิ้งแล้วผ้าปื้นฝุ่นเนี่ยเอามาใช้มาเก็บแล้วก็ามาเย็บติดกันใช่ไหมทำเป็นจีวรขึ้นมาเวลาที่เอามาเย็บติดกันแล้วเนี่ยผ้ามันเปื้อนเปื้อนสีกระทํากระด่างบ้างเนี่ยเอาไปซักซะนะซักฝุ่นซักความสกปรกอะไรให้มันออก พอซักมาแล้วเนี่ยถึงจะรับน้ํายอมได้อย่างดีเหมือนกันท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยที่ฟังเรื่องอนุบุตพิการาแล้วคือเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์เรื่องโทษของกรรมและอ น, นิสงฆ์ในการออกจากการมเนี่ยจะสามารถเข้าใจและสามารถมีจิตที่อ่อนโยนเหมือนผ่า ท, ที่ทําความสะอาดแล้วจะทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของระยะสัตวทั้งสีได้ในวันนี้จะเอาเรื่องของทานและเรื่องของศีลเล่าให้ฟังสัก่อนอในหมวดของทานและศีลที่จะ ผู้ที่ฟังในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของทานซะก่อนน ะ, ะเรื่องของทานเนี่ยสำับแรกต้องเข้าใจว่าทำทานเนี่ยทำไปทำไมการสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยเราทำได้หลายรูปแบบรูปแบบแรกเนี่ยก็คือการให้ทานทานเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยคนทั่วไปมักจะพูดว่าทำบุญทำบุญ แต่ซึ่งทําบุญเนี่ยมีความหมายกว้างเกินไปคุณไปนักสนาที่คุณก็ทําบุญคุณมาถือศีล ร, รักษาศีลคุณก็ทําบุญแต่ถ้าบอกว่าคุณเอาซองพระป่ามาให้นะขอรับบริจาคแต่บอกว่าทําบุญอันนี้มันกว้างเกินไปเราต้องพูดให้ชัดเจนนว่าคือการให้ทานนะให้ทานเพราะฉะนั้น เ, เวลาที่เราพูดว่าเราจะให้ทานหรืออย่างไรเนี่ยต้องบอกให้ชัดเจนไปเลยว่าทําบุญด้วยการให้ทานหรือทําบุญด้วยการรักษาศีลหรือทําบุญด้วยอะไรก็ว่าไปเลย ทีนี้เรื่องของการให้ทานให้ไปทําไมาให้ทานเนี่ยสิ่งที่เราต้องการที่พระพุทธเจ้าได้ได้ตรัสเอาไว้ในเรื่องของกุศลทั้งหลายแหล่เนี่ยก็คือเรื่องของกุศลกรรมงานกุศลกรรมบทคือการกระทําที่เป็นไปเพื่อกุศลกุศลกรรมบทคือการกระทําที่เป็นไปเพื่อกุศลถามว่ามี อ, อะไรหรืงโอ้โหมีเยอะแยะเอามีสิบอย่างก็แล้วกันสิบอย่างนี่รวมย่อๆเหลือสามอย่างอย่างแรกก็คือเรื่องของทาน ทำไปทำไมทานเนี่ยทำแล้วได้กุศลกุศลที่เกิดขึ้นในที่นี้ก็คือความสะอาดของจิตในเวลาให้ทานไปเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเพื่อกําจัดความตำหนีของจิตสมมติเรามีของอยู่ใช่ไหมนี่ก็บ้านของฉันโทรศัพท์ของฉันรถของฉันเงินของฉันไอ้นี่ของฉันของฉันของฉันหมดเลยการที่บินของฉันมีความเป็นตัวตนเนี่ยคือความทุกข์นะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแนะนําด้วยการนําออกด้วยการให้ทาน อ่ะอันนี้ของเราใช่ไหมอา้าวสละสละออกเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะมีความเบาลงไปแล้วว่าเอออันนี้เราคลายความยึดถือในความเป็นของเราให้ซะอย่างนี้นะให้มากให้น้อยก็อยู่ที่ความตระรนียของเรามีมากหรือมีน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดประสงค์ของการให้ทานเนี่ยคือเพื่อละความตรรนียละความตรรนิยในที่นี้คือทาความสะอาด จ, จิตด้วยการเอาของภายนอกทำหลังการทําความสะอาด จ, จิตด้วยการเอาของภายนอกทำก็อย่างเช่นเราเอา่ะถวายอา่า ถวายอาหารในวิกษุสงฆ์อถวายข้าวน้ําของหอมเครื่องรูปไร้รูปทาสนาสนะอะไรต่างๆนะที่เราเรียกว่าไปสร้างบุญด้วยการให้ทานนี่แหละพนะพุทธเจ้าก็ยังพูดถึงการให้ทานเนี่ยใช้อะไรให้ทานได้บ้างนะก็ได้เคยตรัสไปบอกว่ามีข้าวมีน้ํามีผ้านะมียานพ้านะมีดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่พักประทีบและเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ สิ่งอะไรก็ได้ที่สมควรแก่สำนักจะ บ, บริโภคให้ได้หมดนะเพราะฉะนั้นพอเราให้ทานตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะเกิดบุญขึ้นทานที่นําออกเนี่ยอย่างสมมุติเราถวายาที่นอนที่พักนะหรือว่ า, เ, าเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางให้แก่เนื้อแางบุญคือภิกษุสงฆ์แล้วเนี่ยเราสละตรงนี้ออกไปจิตของเราจะสะอาดขึ้นเรามีความสละเรามีคลายความตณีลงไปได้ไอัที่บอกเราเป็นของเราเราเอาออกซะนี่คือจุดประสงค์ของการให้ทานอย่างที่หนึ่ง ตรงนี้ก็เลยมีแง่มุมตรงที่ว่าเอลอถ้าอย่างนั้นเนี่ยอการถวายทานอย่างไรถึงจะได้บุญมากก่อนที่จะไปถึงประเด็นนั้นเนี่ยมีครั้งหนึ่งที่ศรีหาศรีนาบดีซึ่งเป็นศรนาบดีของในสมัยร่วมสมัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ได้มาถามพระพุทธเจ้าบอกว่าเออคนที่ให้ทานเนี่ยให้ให้ไปเนี่ยให้ให้ไปเนี่ยจะเห็นอันนี้ส่งอะไรที่เห็นได้ในปัจจุบัน ยาสีน่นาบดีนี้ไม่ต้องการรออันนี้สรงของท่านในพบหน้าชาติหน้านะต้องการเห็นเดี๋ยวนี้เลยไปถามพระพุทธาว่าเออฉันให้ท่านไปแล้วเนี่ยถวายทานไปแล้วเนี่ยในสมณผู้สงบเนี่ ย, ยจะเห็นผลอะไรเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันนี้ไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามีเจ็ดอย่างเอาอย่างแรกก่อนในะมีสองเะื้ที่พระพเจ้าได้ตรัสเอาไว้เนยะแรกเนี่ยมีห้าอย่าง และบรุษชาบอกว่าคนที่เป็นผู้ให้เนี่ยนะย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนเป็นอันมากถามท่านผู้ฟังทั้งหลายอย่างนี้บอกว่าระหว่างคนที่มีการให้ควรแก่การขอเป็นผู้จัดแมกแจกทานอันนี้คนที่หนึ่งแต่อีกคนหนึ่งเป็นคนตรณีแต่ไม่มีศรัทธาแล้วก็มีวาจาที่กระทบกระเทียบสอดเสียดเนี่ยถามว่าคุณจะชอบพอคนไหนรักชอบพอคนไหนมากกว่ากัน นะคําตอบมันง่ายๆอยู่แล้วถ้าเป็นคนที่มีศรัทธามีใจที่จําแนกแจกทานจะเป็นที่รักที่ชอบใจของคนเป็นนั้นมากนะข้อที่สองอันนี้สองข้อที่สองของผู้ให้ทานเนี่ยคนดีคือสัตว์บุรุษเนี่ยผู้สงบย่อมคบหากับผู้ให้เพราะว่าคนให้จะเป็นผู้อุปการะผู้อื่นนะเพราะฉะนั้นเขาจึงเป็นที่ชอบใจคนดีก็ต้องการจะคบกับคนนี้แลนะข้อที่สามนักคิตทีศัพท์อันงามของผู้ที่เป็นผู้ให้เนี่ยย่อมขจรไป อันนี้ก็จะเห็นได้เองแล้คนให้ทานเนี่ยมีแต่คนเขาจะยกย่องนับถือแล้วก็มีชื่อเสียงกระจรไปว่าออกผู้ น, นี้เป็นผู้ให้อย่างที่สี่คนที่เป็นผู้ให้ทานเนี่ยเมื่อเข้าไปสู่ที่ประชุมใดจะเป็นที่ประชุมของวนนรนละใดก็แล้วแต่หรือกลุ่มคนไหนก็แล้วแต่เนี่ยย่อมเป็นผู้องอาจไม่เก้อเขินเข้าไปแล้วเราเป็นผู้ให้เนี่ยเราไม่ต้องเก้อเขินใครแต่อย่างที่ห้าเนี่ยเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์พอสรีหาศนาบดีเนี่ย ได้ฟังอันนี้สองห้าข้อของการให้ทานแล้วเนี่ยก็ได้บอกกับพระบุตชาบอกว่าเออสี่ข้อแรกเนี่ยเห็นอยู่เพราะว่าข้าพระองค์เป็นคนให้ทานคนหนึ่งเขาก็รักชอบข้าพระองค์นะคนดีก็มาคบกับข้าพระองค์ชื่อเสียงของข้าพระองค์ก็ขจรขจายไปว่าเป็นผู้ให้และเวลาเข้าไปสู่ที่ประชุมไหนเนี่ยจะเป็นของวรนละไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็ไม่เก้อเขินมีความองอาจเข้าไปได้แต่รอบข้อสุดท้ายเนี่ยเมื่อตายไปเขาถึงสุกติโลกสวรรนี่ยังไม่รู้ว่ายังไม่ตาย ก็เลยบอกบุรุชาอย่างนี้บุรุชาก็บอกว่าเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละนะเพราะว่าคนที่ให้ทานเนี่ยย่อมไปถึงสุกติโลกสวรรค์อันนี้สองอีกสองสาอย่างของผู้ที่ให้ทานก็คือว่า อ, อคนที่ให้ทานเนี่ยเป็นคนมีศรัทธาเป็นคนให้ยินดีในการสนับสนุนเนี่ยเปรียบเทียบระหว่างสองคนระหว่างคนที่ อ, อ่มีศรัทธาเป็นคนผู้ให้ ยินดีในการสนับสนุนนี่คนที่หนึ่งกับคนที่ไม่มีศรัทธาตรันีทีเหนียวแล้วก็พูดเสียดสีคนที่สองพระเจ้าแนะนําสีอาเซนาบดีถามสีอาเซนาบดีอย่างนี้ว่าในระหว่างสองคนเนี้พระอารรณ์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อจะอนุเคราะห์จะอนุเคราะห์คนไหนก่อนสีอาเซนาบดีก็บอกว่าเอา้าก็ต้องอนุเคราะห์คนที่มีศรัทธาเป็นผู้ให้ยินดีในการสนับสนุนก่อน เวลาที่พระอรหานต์จะอนุเคราะห์เช่นอนุเคราะห์ด้วยการแสดงธรรมต่างๆเนี่ยพระอรหานก็จะดูว่าเอ๊ะอนุเคราะห์คนที่ให้ทานอนุเคราะห์คนที่มีศรัทธาก่อนนะเพราะว่าเปรียบเสมือนนาชั้นดีเวลาจะหว่านพืชลงไปเนี่ยมันจะโตก่อนจะได้ผลดีกว่าถ้าท่านผู้ฟังนะเป็นชาวนาหรือว่ารู้จักชาวนาหรือเคยเห็นเขาทํานาไปถามชาวนาเลยอาลมาอยู่วัดป่าดอนไหนโสเนี่ยเคยถามชาวนาที่เข้ามาทํานาข้างๆวัดเนี่ยถามว่าเอ๊ะอุบาสกถ้าเผื่อว่ามีนาเนี่ยที่เป็นนาดี ก, กับนาที่เป็นนาไม่ดีเนี่ยแปลงที่เป็นแปลงไม่ดีมีดินขุ่ขระน้ําไม่ถึงเนี่ยจะปลูกดํากับ น, นาเนี่ยจะทําอันไหนก่อนเขาก็อบอกว่าเขาต้องทํานาแปลงดีก่อนอาดอมาเขถามว่าทำไมอ่ะทําไมถึงต้องทํานาในแปลงดีก่อนที่มีดินดีมีน้ําดีน้ําถึงเขาก็บอกว่าเพราะว่าถ้าเวลาที่น้ําท่วมเนี่ยมันก็ยังอยู่ได้เพราะามันจะโตก่อนแต่ถ้าเวลาแล้งมันก็จะยังอยู่ได้เพราะว่ามันโตก่อนแต่ถ้านาไม่ดีเนี่ย เวลาปลูกเอาไว้เนี่ยต่อให้น้ําดีน้ําไม่ดีฝนดีหรือฝนไม่ดีเนี่ยมันก็ออกมามันก็ไม่ดีเท่าไหรนะ่ปลูกไว้ก็ให้วัวให้ควายกินเท่านั้นเองเพราะนั้นเลยอ่ะพระอาหันทั้งหลายเนี่ยก็สังเกตคนที่เป็นผู้ให้มีศรัทธามีการสนับสนุนเนี่ยจะอนุเคราะห์คนนั้นก่อนในกรณีที่สองนะพระเจ้าก็ถามศรีหยาศรีนาบดีเหมือนกันว่าระหว่างสองคนนีนะ้คนที่เป็นคนไม่มีศรัทธาตรณีทีเหนียวพูดเสียสี และกับคนที่มีศรัทธาเป็นผู้ให้ยินดีในการสนับสนุนเนี่ยพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อจะเข้าไปเนี่ยจะเข้าไปหาใครก่อนนะเสียเสียรายบดีก็ตอบเอาก็ต้องเข้าไปหาคนที่มีศรัทธาเป็นผู้ให้มีการสนับสนุนก่อนเหมือนกันนในกรณีเดียวกันแล้วข้อที่สามพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อจะรับก็พึงรับของคนที่มีศรัทธาะเป็นผู้ให้ยินดีในการสนับสนุนก่อนเมื่อจะแสดงธรรมก็แสดงธรรมให้คนที่เป็นผู้ให้และมีศรัทธา ยินดีในการสนับสนุนก่อนอันนี้ก็คือเป็นกรณีของผู้ที่อาเป็นผู้ให้และนี่คืออันที่สองของการให้ทีนี้ถามว่าไอ้คนแบบไหนเนี่ยให้แบบไหนถึงจะได้บุญมากบุญน้อยไม่เท่ากันอันนี้พระรูชาได้ตรัสไว้และมีครั้งหนึ่งที่ในจำปานครก็พระสารีบุตรก็ชักชวนอุบาสกอุบาสิกากลุ่มหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามถึงเรื่องว่าเอ๊ะทานแบบไหนที่บุคคลทําแล้วเนี่ยถึงได้มีอันที่สองมาก ก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าเราทําทานนะบุคคลมีความหวังในทานมีจิตผูกพันในทานมุ่งการสั่งสมในทานจึงให้ทานคนที่ทําแบบเนี้ยเพราะว่าให้ทานแล้วคิดว่าฉันจะรวยให้ทานคิดว่าฉันจะสวยให้ทานคิดว่าเพื่อหวังผลในทานที่ฉันจะได้อันนี้ได้บุญอยู่เมื่อตายไปเนี่ยพระเจ้าบอกว่าจะถึงความเป็นสหายแกเทวดาฉันจะตุ მ ม, มหาราชิกานี่ยคือได้บุญน้อยที่สุดมั้งกันเถอะแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ทําบุญ แนะี่ด้ยคิดว่าต้องบังผลในทานนะแต่ทําบุญเนี่ยด้วยการให้ทานเนี่ยด้วยการคิดว่าการให้ทานเป็นการดีเขาจึงให้ทา น, นจะดีกว่าผู้ที่ให้ทานอย่างนี้แล้วนะเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสหายเป็นเทวดาชั้นดาวดึงสูงขึ้นมาอีกนะพระพุทธเจ้าไล่ขึ้นไปเรื่อยเรื่อยไล่ขึ้นไปเรื่อยเยจากเทวดาชั้นจาตุมาราชิกาไล่ไปเทวดาชั้นดาวดึงไล่ไปเทวดาชั้นยา ม, มานะอันที่สามเนี่ย คนที่ให้ทานเนี่ยไม่ได้ให้ด้วยก่อนคิดว่าจะหวังผลจากการให้ทานฉันต้องรวยชันต้องสวยหรือว่าเอาผลของทานนี้มาเพื่อแค่บนเรื่ต่างๆนี้ได้บุญน้อยที่สุดแต่ให้ทานด้วยการคิดว่าให้ทานเป็นการดีก็ไม่ได้ให้ด้วยอย่างนั้นแต่ให้ทานคิดว่าด้วยการคิดว่าเอ้มารดาบิดาปู่ย่าของเราก็เคยให้มาเราไม่ควรทําให้เสียประเพณีเราก็เลยให้ทานอันนี้ยิ่งดีเพราะว่าปรารบมารดาบิดาและผู้มีอุปการะของเราจิตเขาจะยิ่งสูงขึ้นไปอีก ทำให้เขาได้บุญมากขึ้นไปอีกแต่ว่าถ้าสูงขึ้นไปอีกก็มีอีกลําดับที่สี่ปริชาก็พูดถึงว่าบางคนเนี่ยนะให้ทานนี่เพราะว่าไม่ได้หวังผลในทานให้ทานนี่ก็เพราะว่าไม่ได้คิดว่าการให้ทานเป็นการดีให้ทานนี่ก็ไม่ได้เพราะว่าคิดว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายของตัวเองทํามาจึงให้แต่ให้ทานนี่เพราะว่าเห็นสมณะและพรามณ์คนที่เราจะให้ทานเนี่ยไม่หงหาอาหารกินแต่ว่าเราเนี่ยเป็นคนหงหาอาหารกินเองได้ จะไม่ให้ทานแก่สมณะผู้นี้ก็ไม่ควรจึงให้ทานการให้ทานของเขาแบบที่สี่เนี่ยของคนที่สี่เนี่ยเป็นการให้ทานที่ปรารบระลึกถึงสมณพราหม์แต่ยิ่งสูงขึ้นไปอีกทําให้จิตของเขาเนี่ยสูงขึ้นไปอีกอันดับที่ห้าบางคนเนี่ยเขาให้ทานเนี่ยไม่ใช่พราะว่าวางผลในทานให้ทานนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่าคิดว่าการให้ทานเป็นการดีแล้วก็ให้ทานนี้ก็ไม่ใช่คิดว่าอ่านึกถึงบารดาบิดาเคยให้มาเราจึงให้ แล้วก็ให้ทานเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าพวกสมณะพวกนี้หูงหาอาหารกินเองไม่ได้แต่เราหุงกินเองได้เราจึงให้แต่เพราะให้ทานด้วยการคิดว่าการจะได้แจกทานเนี่ยเป็นการกระทามาโดยพวกนักปรสิหรือศีในสมัยก่อนอด้วยความคิดอย่างนี้เนี่ยปรารรเหตุถึงผู้ที่อเป็นสมณะรามหรือเป็นฤๅษีในสมัยก่อนเนี่ยที่ทํามาแล้วแต่ดีจึงให้ทา น, นอันนี้จิตเขาจะยิ่งสูงขึ้นไปอีก แนะี่เมื่อตายไปเนี่ยจะได้ไปเกิดเป็นเดวดาชั้นนิมา น, นารดีแล้วก็อย่างสุดท้ายที่อย่างถัดมานะอย่างที่หกซึ่งสูงขึ้นไปอีกนะก็คือว่าคนที่ให้ทานเนี่ยด้วยความคิดที่ว่าจิตเลื่อมใสเกิดความเปลื้มปีติโสมนัสในใจของเขาเองแตนะ่านในจิตของเขาเนี่ยมีปีติมีโสมนัสปาราลบเหตุอันนี้จิตของเขาเนี่ยเกิดปีติอันเกิดจากในภายในไม่ต้องพึ่งสิ่งอื่น ตรงนี้ยิ่ดีขึ้นไปอีกจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นปรนิมะมิตะสวัสดีหลังจากนั้นคนที่ให้ทานที่สูงไปกว่านั้นก็มีอีกคือให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตไม่ได้มีความคิดใดๆทั้งสิ้นเลยเป็นการสละออกจากตัวเองเป็นการสละเพื่อความสละความตรณีออกจากจิตจริงๆอันนี้เมื่อตายไปเนี่ยจะได้เป็นเทวดาชั้นพรมการให้ทานมีผลมากผลน้อยก็เป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราจะถวายทาน จะถวายทานจะให้ทานแก่ใครก็ได้ล่ะเนื้อนังบุญเนี่ยก็มีหลายแบบด้วยเนื้อนังบุญเนี่ยพระรูชาได้เคยสัตไวก้กำนังวิสาขาในครั้งนั้นเนี่ยมีการถวายทานซึ่งเป็นการถวายอาหารสังฆทานนี่แหละให้กับพระอาสาบุตรและมกลานะเป็นประธานในการรับและโดยมีหมู่สองเนี่ยเป็นผู้รับ การให้ทานในครั้งนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยนั่งอยู่อีกที่หนึ่งไกลๆไปก็ได้เล็งเห็นว่าเอ๊ะกาถวายทานของนางวิสาขาในครั้งนี้ได้บุญมากจริงๆได้บุญมากขนาดที่เรียกว่าน้ํำทะเลในมหาสมุทรเนี่ยมีกี่ลิตรกี่ลิตรเนี่ยวัดไม่ได้เลยมากขนาดนั้นด้วยปรารภเหตุหประการนั่นคือเหตุของผู้ให้ผู้ให้เนี่ยมีเหตุสามประการนะผู้รับก็มีเหตุอีกสามประการผู้ให้ในมีเหตุสามประการก็คือว่าจิตของเขาเนี่ยมีศรัทธาก่อนให้ Ios, จิตของเขาเนี่ยมีศรัทธาในระหว่างให้และอย่างที่สามจิตของเขามีศรัทธ า, าหลังจากให้ไปแล้วไม่ม น, นึกเสียดายไปหลังผู้รับมีคุณสมบัติสามอย่า ง, 2, าง 3, นี้ไหมนะมีเพียรเผากิเลสเพียรเผาราคะกิเลสหรือกําลังปฏิบัติหรือหมดแล้วซึ่งราคะกิเลสและอย่างที่สองโทสะและอย่างที่สามคือโมหะนและหมดแล้วซึ่งราคะโทสะโมหะหรือกําลังเพียรปฏิบัติเพื่อให้หมดซึ่งราคะโทสะโมหะถ้ามีคุณสมบัติสามอย่างนี้ของผู้รับ หลการให้ทานในครั้งนั้นเนี่ยจะมีอ น, นิสองส์อย่างสูงมากเหมือนกับน้าทะเลในมหาสมุทรเนี่ยจะมีกิริสกิริสในมันวัดระยากมากเพราะฉะนั้นเราให้ทานไม่ว่าจะาบริจาคในกองทุนไหนหรือว่าเขาเรียกวา่ามุนิี่อะไรหรือถาวายทานใ้แด่สงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยด้องดูที่ว่าจิตของเราเนี่ยเป็นกุศลไหมผู้รับเขาเอาเงิน หรือเอาปัจจัยสิ่งเหล่านั้นที่เราถวายไปเนี่ยให้ไปเนี่ยไปในการใช้อะไรเพราะฉะนั้นอย่างถ้าคุณจะบริจาคน้ําท่วมนีก่ก็เป็นการให้ทานแล้บริจาคเข้ากองทุนช่วยเด็กกำพ้าช่วยคนที่คนแก่หรือว่ากองทุนสงเคราะห์คนพิการอันนี้ก็เป็นการให้ทานได้ทั้งหมดการให้ทานเหล่านี้เนี่ยก็ดูที่เนื้อนามบุญลผลบุญที่ได้ก็จะไม่เท่ากันอยู่ที่ผู้รับดังนั้นถ้าผู้รับเนี่ยก็ไลม่มาเลย พระพุทธาจ้เคยบอกด้วยว่าถ้าเผื่อว่าเราเทน้ำล้างหม้อเนี่ยลงไปในลงไปในอของสงโคราเนี่ยลงไปบ่อน้ำตมเนี่ยเพื่อหวังว่าสัตว์เล็กๆอะไรที่มันอยู่ในนั้นเนี่ยมันจะได้กินเนี่ยก็เป็นทางมาแห่งบุญนะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะให้ทานเนี่ยแค่ให้สัตว์เล็กๆเนี่ยสัตว์เดรัจฉานก็ได้บุญแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าพระเจ้าก็เลยอธิบายต่อว่าถ้าเราให้ทานในสัตว์เดรัจฉานก็ได้บุญเป็นทางแมงบุญให้ทานในมนุษย์ที่ท <t modern developed Airbnb> ุศ so being <Louise> ีก็ได้บุญมากขึ้นไปอีกให้ทานในมนุษย์ที่มีศีก็ได้บุญมากขึ้นไปอีกให้ทานในสามณะก็ได้บุญมากขึ้นไปอีกให้ทานในอริยะบุคคลก็ได้บุญไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปแต่การได้อันนี้ส่ของบุญเนี่ยก็จะมากน้อยตามลําดับอย่างนี้เพราะในกรณีของผู้ให้เนี่ย เราก็ไม่รู้นะว่าผู้รับเนี่ยจะมีคุณสมบัติอย่างไรแต่ถ้าเราสามารถควบคุมเหตุปัจจัยของผู้ให้คือตัวเราเองว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่มีศรัทธาในก่อนให้ระหว่างให้และหลัให้เนี่ยผลอันนี้สอก็จะมากอย่างนี้นี่นนคือเรื่องของทานคนให้ทานแล้วเนี่ยอก็อย่างที่ว่าจะทําให้จิตของเราเนี่ยเบาลงนควรสละเป็นผู้สละควรแก่การขอยินดีในการจะได้แจกทานนี่ก็เรื่องของทานเรื่องของการให้ทานยังมีอีกหลายแง่มุม พระพุทธเจ้าได้เคยบอกไว้อย่างหนึ่งคือสัตว์บรุษเนี่ยคือคนฉลาดคนดีเนี่ยเวลาให้ทานเนี่ยจะให้ทานในลักษณะที่ตัวเองไม่เดือดร้อนนะไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสงฝ่ายนะเรเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดให้ทานแล้วทรัพย์ที่เราจะมาใช้ในการให้ทานเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่ า, าต้องเป็นทรัพย์ที่เกิดจากสัมม า, าอาชีวะนะมีความเปลี่ยนเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนตัวชุม่มเล่หเหนือแต่เอาทรัพย์อย่างนี้แหละมาแบ่งใช้จ่ายสี่ลักษณะนะท่านผู้ฟังฟังให้ดี เงินนับแรกเนี่ยใช้จ่ายในตัวเองใช้จ่าย ใ, ในการเลี้ยงดูบุตรภรรยาญาติมิตรมดาดาบิดาให้เรียบร้อยให้อินนำำ่นําสําราญก่อนแล้วก็ส่วนที่สองใช้ในการที่จะมาปกป้องทรัพย์ที่มีอยู่นะเช่ในใจ่ายภาษีจ่ายค่า ย, ยามอ่าจ่ายค่าประกันชีวิตอะไรต่างๆบุ้นี้เราใช้ประการที่สามใช้จ่ายทรัพย์เนี่ยในการที่จะอ่าช่วยเหลือคนอื่นนะ ช่วยชาช่วยญาติบำรุงเลี้ยงต่างๆนี้เราต้องช่วยเหลือคนอื่นอันที่สามแล้วสุดท้ายอันที่สี่จึงเอาทรัพย์เนี่ยมาใช้ใจ่ายในการให้ทานแก่สมณะผู้เพียรปฏิบัติเพื่อเผากิเลสนะถ้าเราแบ่งจ่ายทรัพย์ในสี่สถานนี้อย่างถูกต้องเนี่ยก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ใช้ใจ่ายทรัพย์ตามที่พระพุทธเจ้าได้กำหนดเอาไว้เรื่องของทานนะก็จะสรุปให้ได้ง่ายๆว่ า, าทานเนี่ยเป็นสิ่งที่ทาแล้วจะเป็นทางมาแห่งบุญ นะบุญจะเกิดที่จจิตของเราการให้ทานที่ได้บุญมากที่สุดก็คือเพื่อที่จะละความตำหนิของจิตแนะถ้ายังให้ทานอยู่เพื่อที่จะหวังอันนี้สงของทานที่เราให้ไปอันนี้ได้บุญน้อยที่สุดแตนะ่อย่างไรก็ตามวรารจิตของเราเราต้องเป็นผู้คุมบาระจิตของเราให้ได้ว่าเรานั้นจะต้องเรียกว่ามีศรัทธา ก, ก่อนให้ระหว่างให้และหลังให้นะให้พิจารณาเท่านี้พอส่วนผู้รับนั้นจะเป็นอย่างไรไม่เป็นไรนะในวันนี้ ในรายการธรรมารัรุณก็ได้นําเรื่องของทา น, นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอนุบุพิกถาซึ่งจะต้องนำมาเล่าให้ทั้งบุฟังฟังเพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมในการที่จะฟังอริยสัจ ส, สี่ในในช่วงก่อนวันวิสาข บ, บูชาวันนี้ก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้เพรอิอนผ่านติดตามรับฟังรายการ ธรรมะรับปรุณได้ใหม่ในวันพนุ่นี้เวลา5้านาฬิกาถึง5้านาฬิกานาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสหรับวันนี้สวัสดีครับ